ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตะประพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันนาพระอมราพิรษิตะอมโรเกิดปัตตบรมยิวารรชนาต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอุทเทศในปาราชิกุเทศส่วนภิสุมีสิกขาบทสี่ ส่วนพิกษุนีมีแปดสิกขาบทในสังฆาพิเสษสุดเทศส่วนพิกษุมีสิบสามส่วนพิกษุณีมีสิบเจ็ดสิกขาบทในอนิยตุดเทศมีสิกขาบทสองอนิยตุดเทศนี้ในพิกษุณีปาติโมกไม่มีมีเฉพาะของพิกคุ ป, ปาติโมกเท่านั้นในนิสักขียุดเทศส่วนพิสุสามสิบสิกขาบทส่วนพิสุณีก็สามสิบเหมือนกัน ในปาจิติยุเทศส่วนพิกจุมีสิกขาบท92ส่วนพิกษุณีมีถึง166ในปาติเดสนิยุเทศส่วนพิกจุมีสิกขาบท4ส่วนพิจุณีก็มี8สองเท่าของพิกจุในเสถียรยุเทศส่วนพิกษุและพิกษุณีมีสิกขาบท75เท่ากันเหมือนกันด้วยทุกข้อเลยในสามัคคุเทศไม่มีสิกขาบทมีแต่ธรรมเจ็ดประการ ก็คือสัมมุขาวินยัยสติวินยัยอมุรหวินยัปยปัิญาจักรณะเยปุยสิกาแล้วก็ตัดสติปัญญาสิกาตินาวถาระกะเป็นสมถะเพราะเป็นของสําหรับระงับอธิกรณสี่มีวิวาธาธิกรเป็นการวิวาทะระต่ารเรื่องธรรมวินยัยอนุวาธาอธิกรก็เป็นการโจดอาบัตกันอาบัตตาธิกรก็เป็นการตัอ้งอาบาัตกิจญาอธิกรก็เป็นสังขจิจเป็นจิตที่สงท้องทำ อธิกรณ์สี่เรานี้เป็นเรื่องที่จะต้องจัดการซึ่งก็ใช้อธิกรณะสมถะเจตเป็นวิธีการเข้ามาจัดการกล่าวปาติโมกุเทศส่วนพิตุเก้าอุเทศส่วนพิจณีมี8ปดอุดเทศเท่านั้นก็คือไม่มีอนุญาตตุเทศกล่าวตามชื่อซึ่งมีอยู่ในคำภีพระปาติโมกอันนี้กล่าวตามคำภีปาติโมก เป็นอัตถกาท่านพระพุทธโกศอาจารย์เป็นผู้ที่เรียบเรียงรัชนาขนาดอัตถกาแบบยอดถ้าแบบพิจารจะต้องสมันตะปาสาธิการถ้าจะกล่าวโดยพุทธบัญญัติไซมีอยู่ห้าคือนิพพานุเทศเป็นที่หนึ่งปาราชิกุเทศเป็นที่สองสังฆาทิเสษุเทศเป็นที่สามอานิยตุเทศเป็นที่สี่ตั้งแต่นิจกิยยุทเทศไปจนถึงสมทุทุเทศเป็นที่ห้า อันนี้ก็รวมเรียกว่าวิถารุเทศวิถารุเทศกับทิศดารเลยเวลาสวดการสวดเลยอเ น, นจตมาเมื่อเลยก็ต้องสวดทิศดารไม่งั้นย่อก็ต้องถึงอเิจตานี่แหละแล้วก็ย่อดังนี้ตรงบัญญัติเป็นห้านี้เพื่อจะให้รู้จักตาพิโมกโดยย่อและทิศดารในเวลาเมื่อมีอันตรายความนี้จะรู้แจ้งในอุปสัทธกถาข้างหน้าโนู้นว่าโดยอุเทศจบ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 เป็นสมุดฐานอันหนึ่งดังนี้ชื่อว่าทวังคิกะว่าสมุดฐานมีองค์สองก็คือกายกับวาจาที่ว่าเป็นสมุดฐานหนึ่งแต่วันมีองค์สองอย่างคือกายองค์หนึ่งกับวาจาองค์หนึ่งหรือว่ากายกับจิตกระตามหรือว่าวาจากับจิตกระตามอันนี้เรียกว่าทวังคิกะสมุดฐานมีองค์สองทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตเป็นสมุดฐานอันหนึ่งดังนี้ชื่อว่าติวังคิกะว่าสมุดฐานมีองค์สาม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 ถึงจะเป็นอบัตจะรู้สิกขาบทหรือไม่รู้ก็แล้วแต่แตามีความตั้งใจเช่นตั้งใจในการตัดต้นไม้แม้จะไม่รู้สิกขาบทแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจก็ไม่เป็นอบัติแต่ถ้าแม้ไม่รู้สิกขาบทแต่ว่าตั้งใจเช่นเตะเก็บดอกไม้มาบูชาพระตั้งใจเก็บมีอบัตเป็นเจรษฐิตะแต่ว่าถ้าเดินไปเตะหญ้าขาดหรือว่าเดินไปชนใบไม้มันหักมันร่วงไปเนี่ยก็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 อาบัตในสิกขาบทใดที่สุต้องด้วยสมุทฐานที่สี่อย่างเดียวก็คือกายจิตสมุทฐานที่สี่นี้คือกายจิตดังในปฐมปาราชิกปฐมปาราชิ ต, ชตนี่ในสมุทฐานคือกายจิตก็คือใช้กายด้วยแล้วก็มีเจตนาในการที่จะฆ้าร่วงด้วยเศเมถุนนั่นเองสิกขาบทต่อเศเมถุนนั่นแหละต้องด้วยกายจิต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 ดังในสังฆเพทาสิกขาบทก็คือพวกสมนุภาพทั้งหลายสวดประกาศสามคร Thompson ั้งสังฆเพธาในสิกขาบทที่สิบในสังคัญที่สุดผู้ที่ยาวตว ต, วติยกะก็คือต้องสวดประกาศสมคร Thompson ั้งตัวนี้ต้องด้วยกายวาจาจิต DIS. สมุทฐานที่หกอยางเดียวสามนี้ช e. ื่อว่าเอกสมุทฐานสิกขาบทก็คือต้องด้วยสมุทฐานอันเดียวต้องได้สมุทฐานอันเดียวกายจิต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 เจตนาหไม่เจตนาก็แล้วแต่ในการเคลื่อนไหวกายก็ต้ อ, อบัติมีกายจิตก็ต้องอัติต้องด้วยสมุทฐานที่สามก็คือกายวาจาหรือที่ห้าคือวาจาจิตดังในปะสะโสธรมมติคาบทก็ดีปะะโสธรรมะก็หมายถึงสอนทำการโน้มน้าวให้ว่าพร้อมกันอันนี้แม้ไม่มีเจตนาก็เป็นอบัตดเพราะว่าเป็นกายวาจาหรือว่าวาจาจิตมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็เป็นอบัตดด้วย ต้องด้วยสมุทฐานที่สามก็คือกายวาจาหรือที่หกคือกายวาจาจิตดังในปฐมกฐินสิกขาบทปฐมกฐินหมายถึงว่าเจ็บอติเรชีวรเกินสิบวันถ้ากฐินดาะแล้วเนี่ยนะไม่มีอินทรพุทธไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเจ็บอติเรชีวอนผ้าทิพย์ได้อธิษฐานได้กลับรไปเนี่ยเกินสิบวันต้องอาบัตินิสักยะปายตี ก็ต้องโดยสมุิฐานนี่แหละก็คือสมุิฐานที่สามกับที่หกกายวาจากรักกายวาจาจิตไม่อธิษฐานแล้วก็ไม่ถอนไม่ได้สละไม่อธิษฐานไว้หรือว่าไม่สละก็ต้องอักข้อนี้แล้วก็ต้องด้วยสมุทฐานที่ห้าก็คือวาจาจิตกับที่หกคือกายวาจาจิตในโจรีวุ ธ, ธาาิานปนะสิกขาบทกรีอันนี้ก็ของภิชชณีบวชหญิงโจรเนี่ยนะ บทหญิงโจรให้เป็นทิศนีนี้ก็ต้องอบดับสังฆาพิเศษนะห้าสิกขาบทนี้ชื่อว่าทวิสมุทฐานก็คือมีสมุทฐานสองต้องอบดับด้วยสมุทฐานสองอับดับในสิกขาบทใดที่ตุต้องด้วยสมุทฐานข้างต้นคือที่หนึ่งหรือที่สองหรือที่สามที่หนึ่งก็คือกายที่สองคือวาจาที่สาก็คือกายวาจา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 สอขบทนี้ชื่อว่าจะตุสมุดฐานก็คือต้องด้วยสมุดฐานสี่สมุดฐานเลยอาบันในสิกาบทใดต้องด้วยสมุดฐานหกก็คือที่หนึ่งที่สอที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกเลยดังสันเจริสตะสิกขาบทสันเจริสตะสิกาบทนี้ชื่อว่าฉะสมุดฐานสิกขาบทที่มีสมุดฐานหกเลยทัดเตือนเป็นหัวมีอากันเนี่ยนะต้องด้วยสมุดฐานทั้งหกเพราะนั่นนี่จะอยู่ในสมุดฐานไหนก็ต้องอ่านบันหม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 สามโยตก็กายกับกายจิตกายกายจิตต้องมีกายเข้ามาเกี่ยวทีมีเจตนาไม่มีเจตนาก็แล้วแต่สมุดฐานที่เจ็ดก็ปะละโศธรรมสมุดฐานกล่าวคำโดยบทก็คือไปแสดงธรรมกายนุสมบัญที่ให้ว่าพร้อมกันเนี่ยจะมีสมุดฐานสองเหมือนกันก็คือสมุดฐานที่สามกายวาจากับสมุดฐานที่ห้าปารจาจิตกายวาจาก็ปารจาจิตปะละโศธรรมสมุดฐาน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 ส่วนสมุทฐานที่เก้าก็คือถอยาสัตถะสมุทฐานธยาสัตตะสมุทฐานนี่ก็ชักชวนพวกเวียนพวกต่างผู้เป็นโจรเนี่ยให้เดินทางร่วมกันก็สิ้นระยะบ้านหนึ่งกันนะสิ้นระยะบ้านหนึ่งอันนี้ก็มีสมุทฐานเท่าไหร่ น, นี่ไม่ได้บอกไปเดี๋ยวจะมาบอกดีหลังก็ได้กันต่อไปสมุทฐานที่สิบก็คือธรรมเทศนาสมุทฐานแสดงธรรมแก่ผู้ที่ไม่เคารพ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 จริวุฒาปนาสมุทฐานส่วนสมุทฐานนั่นสุดท้ายเรียกว่าอะนะนุญยาตะสมุทฐานในบวชหญิงที่ไม่ได้รับอนุญาตให้บวชก็คือพ่อแม่เขาหรือว่าสามีเ้ายังไม่ให้อนุญาตให้บวชไปบวชพิกษุณีให้ในี่ยนะต้องอบัตตปกิจตีก็มีสมุทฐานสี่ก็คือสมุทฐานที่สองวาจาที่สามกายวาจาที่ห้าวาจาจิตแล้วก็ที่หกกายวาจาจิตอันนี้ก็เป็นสมุทฐานสิบสามอย่าง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 กายจิตที่ห้าวาจาจิตที่หกกยวาจาจิตสิกขาบทนั้นชื่อว่าอธินาธานสมุทฐานก็คือทุติยปาราชิตมีมากถึงเจดสิบสิกขาบทรวมกันทั้งที่สุทิตุนยินละอาบัตในสิกขาบทใดเกิดแต่สมุทฐานทั้งหกสิกขาบทนั้นชื่อว่าสัญเจริตตสมุทฐานทักตื่นให้เป็นผัวมียกันเนี่ยนะ สิกขาบท อ, าอื่นที่มีสมุดฐานทั้งหกอย่างนี้ก็เรียกว่าสันเจริญตะสมุดฐานเหมือนกันหมดทั้งหมดมีถึงห้าสิบสิกขาบทด้วยกันทั้งที่ตัวพิษณีอาบันในสิกาบทใดเกิดแต่สมุดฐานที่หกอย่างเดียวก็คือกายวาจาจิตสิกขาบทนั้นชื่อว่าสัมนุภาสนะสมุดฐานก็คือส่วนกระต่ายสมครั้งเนี่ยแต่ว่าก็จะมีสิกขาบทอื่นที่ไม่ได้ส่วนด้วยก็มีจะมี ท, ทั้งหมดสามสิบเจ็ดสิกขาบท ไอ้ ส, สมุนุภาชนะสมุฏฐานต้องด้วยกายวาจาจิตอาบัตในสิกขาบทใดเกิดแต่สมุฏฐานที่สามและที่หกที่สามก็คือกายวาจาที่หกก็คือกายวาจาจิตสิกขาบทนั้นชื่อว่าปฐมกถินสมุฏฐานปฐมกถินสมุฏฐานก็คืออะไรคือตองอธิาราชีวันเกินสิบวันเนี่ยนะมีถึงยี่สิบก้าสิกขาบทด้วยกัน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 เถียรสัทธาสมุทฐานมีสมุทฐานสองนะคือกายจิตสมุทฐานที่สี่กับที่หกกายวาจาจิตจะมีสิกขาบทที่มีสมุทฐานเหมือนกันกับเถียรสัทธาสิกขาบทนี้ทั้งหมดเจ็ดสิกขาบทเรียกว่าเป็นเถียรสัทธสมุทฐานทั้งหมดอาบัตในสิกขาบทใดเกิดแต่สมุทฐานที่ห้าคือวาจาจิตอย่างเดียวสิกขาบทนั้นชื่อว่าธรรมเทศนาสมุทฐานก็คือแสดงธรรมกับผู้ที่ไม่เคารพ จะมีทั้งหมด11สิกขาบทอยู่ในเสกทยวัตแล้วก็อาบัตในสิกขาบทใดเกิดแต่อจิตตกัสมุตฐานสามข้างต้นก็คือกายสมุตฐานที่หนึ่งนะที่สองก็วาจาที่สามก็กายวาจาเป็นอจิตตกัสมุตฐานไม่มีจิตเจือสิกขาบทนั้นชื่อว่าภูตาโรจนะสมุตฐานมีเพียงสิกขาบทเดียวเท่านั้นเองก็คือบออุตริมุติธร ท, ที่มีจริงการนุนสัมปันเนีย่ยแม้มีจริงก็ห้ามอวด ถ้าไปอวดก็ต้องปฏิจดีถ้าไม่มีจริงไปอวดี่ต้องประราชิกเลยนะต้องประราชิกอันนั้นก็เป็นสมุทฐานอภินาทานทุติยประราชิกอภินนาทานสมุทฐานการอวดอุตตริมนุสธรรมก็ตามหรือาการฆ่ามนุษย์ตามก็สมุทฐานสาเหมือนกับทุติยประราชิกแต่ว่าอันนี้เป็นอจิตตกะภูตาโรจานะนี่อวดอุตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่อนุสมบัตถ้าไปอวดแก่พิจูพิจุนีอะไรนี่ก็ยังไม่มีอ ბ ัติ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 สบุดฐานก็มีศิการบทเดียวเหมือนกันบวชหญิงที่เป็นโจรเนี่ยนะต้นเหตุก็ไม่เห็นสีของเจ้าฤทชวีชอบไปลักลอบทำมิดีไม่ร้ายกับคนอื่นเขาก็ขูจข่จะฆาแล้วก็เลยหนีมาหนีมาภายหลังก็มาบวชในสำนักติสุนีติษุนีถุลนันนันธาก็เลยบวชให้แล้วเป็นต้นเหตุที่ทำให้บัญญัติคาบท ว, ว่ารู้ว่าเาเป็นโจรแล้วบวชให้มีต้องารปฏิจิตี สิกขาบทแห่งนางพิกตุนีอาบัตในสิกขาบทใดโจริวุฒาปนาสมุฏฐานเป็นทุตมุฏฐานอยู่ในสิกขาบทนางภิกตุนีมีทุตมุฏฐานสองวาจาจิตกับกายวาจาจิตมุฏฐานที่ห้าที่หกส่วนอาบัตในสิกขาบทใดเกิดแต่สมุดฐานที่สองก็คือวาจาและที่สามคือกายวาจาและที่ห้าคือวาจาจิตและที่หกด้วยกายวาจาจิต สมุดฐานสี่เลยนะวาจาอย่างหนึง่งกายวาจาอย่างหนึง่งวาจาจิตอย่างหนึง่งกายวาจาจิตอย่างหนึง่งสิกขาบทนั้นชื่อว่าอานนุญญาตะสมุดฐานก็มีเพียงสิกขาบทเดียวเหมือนกันได้แก่อะไรบวชกับหญิงผู้ที่สามีรนาบิดาไม่ได้อนุญาตไว้ก็ต้องบัตริจิตีเหมือนกัน ว่ามีสมุรฐานดังอะนะนุญญาตสศกบาบดใหงนาภิกษณีก็ครบทั้งสิบสามสุทฐานดังนี้ก็แลด้วยคาว่าวิธีมีสมุทฐานเป็นต้นนั้นสงเคราะเอาเกิยริยาสัญญาจิตวัชชะกรรมติกะแล้วก็อานัคด้วยสมุทฐานวิธีวิธีมีสมุรฐานเป็นต้น จะแสดงเรื่องของกิริยาคืออบัตข้อไหนที่ต้องด้วยการทำหรือว่าอกิริยาต้องด้วยไม่ทำหรือว่ากิริยาบ้างอกิริยาบ้างทำด้วยไม่ทำบ้างสัญญาก็ได้แก่พวกพ้นได้ด้วยมีสัญญาหรือว่าไม่พ้นแม้ไม่มีสัญญาจิตก็มีเจตนาหรือไม่มีเจตนาวัชะก็เป็นโทษเป็นโลกกวัชะหรือว่าเป็นปัญติวัชะกรรมก็ได้แก่ร่วงทางกายหรือว่าทางวาจาจะรวมทางวาจาก็เป็นวิธีกรรมร่วมทางกายก็เป็นกายกรรม ถือว่าทั้งคู่โดยก็เป็นทั้งกายทั้งวาจาติกะก็มีสองอย่างก็คื อ, คอกุศลอกุศลอภิญญาตะเป็นเรื่องของจิตกับเวทนาสุขทุกข์หรือว่าอุเบกขาในเรื่องเวทนาก็จําแนกติกะอ น, นัตก็เป็นเรื่องของการกระทําด้วยตนเองหรือว่าการให้คนอื่นทําก็มีอบัติเพราะว่าติกาบทบางอย่างทําด้วยตัวเองเท่านั้นจึงจะต้องเรียกว่าสาหัตติกะถ้าเกิดใช้คนอื่นแล้วก็ต้องด้วยก็เรียกว่าอนานติกะ ก็แลอบัติในสิกขาบททั้งปวงโดยกิริยามีห้าอย่างก็คือกิริยาหนึ่งแปลว่าทำจริงต้องอ่กิริยาหนึ่งแปลว่าไม่ทำจริงต้องกิริยากิริยานก็มาจากคำว่ากิริยะกับอ่กิริยาในนึงกิริยากแต่กิริยาก็คือทำด้วยมีทำด้วยจะต้องทำด้วยมีทำด้วยนีกระต้องอย่างนั้นแล้วก็อีกข้อหนึ่ง ก็คือสิยากิริยาสิยากิริยาบางครั้งบางครั้งทำต้องบางครั้งไม่ทำต้องสุดท้ายปริหาาก็คือสิยากิริยาสิยากิริยากิริยาบางครั้งต้องเพราะทาบางครั้งต้องเพราะทำบ้างไม่ทำบ้างเป็นห้าอย่างนี้นะ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 ไว้อัตเจรจีวรให้เกินสิบวันดังนี้สิขาบทนั้นชื่อว่าเป็นอะกิริยาก็คือไม่ยอมที่จะทําไม่ทําการวิกัปอธิษฐานก็ได้ต้องคือเกิดแต่ความไม่ทําำบันในสิขาบทไดย้ยอดเป็นแก่พิจุที่ทําด้วยและไม่ทําด้วยดังในจีวรปฏิขฐาณาสิขาบทก็คือทําซึ่งการรับผ้าจีวรแต่มือแห่งหนาภิกตุนีผู้ที่ไม่ใชีญาติไม่ทําซึ่งการแลกเปลี่ยน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 ห้ามทางทวารใจทวารหนึ่งนี้ก็พราะหนาอับ น, นะถ้าไม่ห้ามทางใจวาจาใจดีรับทางใจมี้ก็มีอบับด้วยเพราะฉะนั้นสิกขาบทดังนี้นั้นชื่อว่าเป ah ah ็นส ah ิยากิริยาสิยาอาคิริยาคือบางทีเกิดแต่การทําบางทีเกิดแต่การไม่ทํอาอบัตดในสิกขาบทได้ ย, ย่อมเป็นแก่ทิจุผู้บางทีทําบางทีทําด้วยไม่ทําด้วยดังในกุติการะศิกษาบทก็คือสร้างกุฏิใหญ่เกินประมาณให้สงแสดงที่ให้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 คือบางทีเกิดแต่การทําบางทีเกิดแต่การทําและไม่ทําด้วยอันหนึ่งศึก ข, ขาบททั้งปวงว่าโดยสัญญาจะมีสองก็คือสัญญาวิโมกหนึ่งโนสัญญาวิโมกหนึ่งในศึก ข, ขาบทได้พ้นจากอาบัตได้ด้วยสําคัญจะไม่ล่วงบัญญัติดังนั้นมีตัวสัตว์สำคัญว่าไม่มีแล้วก็ปฏิโทคไม่เป็นอบัตแม่น้านั้นมีตัวสัตว์ แต่ว่าสําคัญว่าไม่มีมีความเข้าใจว่าไม่มีแล้วไปบริโภคไม่มีอาบัติติกขาบทดังนี้นั้นเป็นสัญญาวิโมกสัญญาวิโมกก็แสดงว่าต้องเป็นถจิติกะต้องมีเจตนาในการที่จะแก้งร่วงในติกขาบทใดไม่พ้นจากอาบัติได้ด้วยความสําคัญคือแม้สําคัญถูกสําคัญผิดก็ไม่พ้นทั้งนั้นเลยดังบ่ายแล้วสําคัญว่ายังไม่บ่ายฉันขอที่เป็นยาวาตาริกทั้งปวงก็คือติที่เป็นอาหารนี่ยนะ เป็นอาบ no ok mm ัต hmm. ส no ิขาบทตังน no ี้ก็เป็นโนสัญญาวิโมกก็คือไม่พ้นด้วยสัญญาจะสัญญาอะไรก็ไม่พ้นแสดงว่าเป็นอจิตตะแต่ว่าถ้าเป็นสัญญาวิโมกนี่พ้นได้ด้วยสัญญานี่หมายถึงว่าเป็นสจิตตะก็คือต้องมีเจตนาในการทยาจกระทํำถึงนั้นจึงเป็นอาบัตานั้นจะจําง่ายๆก็คือว่าสัญญาวิโมกก็คือสัจิตตะโนสัญญาวิโมกก็คืออจิตตกะ อันหนึ่งสิกขาบททั้งปวงว่าโดยจิตมีสองคือเป็นสจิตตะและอาจิตตะอาบัตในสิกขาบทใดเกิดด้วยสจิตตะสมุทฐานสามข้างปลายคือกายจิตวาจาจิตหรือว่ากายวาจาจิตอย่างเดียวไม่เจือด้วยอาจิตตะสมุทฐานอันใดอันหนึ่งเลยสิกขาบทดังนี้ชื่อว่าเป็นสจิตตะก็คือต้องมีเจตนาในการที่จะกระทำ การละเมิดหรือว่ากระทําการสิ่งนั้นไปนรู้สิขาบทเข้ามีเจตนาในการที่จะกระทําจะรู้สิขาบทหรือไม่รู้สิขาบทก็ตามแต่ว่ามีเจตนาตั้งใจในการทําเป็นสจิตตกะอาบัดในสิขาบทใดเกิดด้วยอจิตตกะสมุทฐานสามข้างต้นคือกายอย่างหนึ่งวาจาอย่างหนึ่งกายวาจาอย่างเดียวหรือแต่อันใดอันหนึ่งเป็นสมุทฐานอันหนึ่ง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 ก็ม <NYU. S 2> ีอบ well. ัตหรือว่านอนร่วมมาดุขาแม้ไม่มีเจตนาจะนอนร่วมแต่ว่ามาดุคาเคิเข้าไปนอนแล้วหรือว่าพะพิจุไม่รู้เข้าไปนอนก่อนมาดุคามานอนที่หลังก็เป็นอบัตนี้เรียกว่าเป็นอาจิตตะสิกขาบทรู้หรือไม่รู้ก็ต้องอบัตทั้งนั้นเจตนาไม่เจตนาก็ต้องอบัตทั้งนั้นสิกขาบทใดเป็นสัญญามิโมกสิกขาบทนั้นเป็นสัจจิตตะสิกขาบทใดเป็นโนสัญญมิโมกสิกขาบทนั้นก็เป็นอาจิตตะ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 ดังสุราปานาัสิกขาบทนั้นเป็นสัจคิตกะจิกตุแม้ไม่รู้ว่าเป็นสุราและให้ล่วงลาคอก็เป็นอาบัตแต่ในตัวนจิตที่รู้ว่าเป็นสุราและให้ล่วงลําคอเข้าไปเป็นอาบัตนั้นเป็นอกุศลจิตฝ่ายโลภะถ้ารู้ว่าเป็นสุราแล้วยังดื่มเข้าไปเนี่ยจิตขณะนั้นเป็นอกุศลเป็นโลภะมูล สิขาบทนี้นั้นชื่อว่าเป็นโลกะวัชชะคือถ้าเป็นอกุศลเมื่อไหร่นี้เป็นโลกะวัชชะว่ามีโทษอันนักปราดพึงเว้นพึงติเตียนโดยโลกคือว่าถ้าสิขาบทนั้นต้องด้วยอากุศลไดจิตเป็นโลกะวัชชะซึ่งว่ามีจิตรู้นั้นประสงค์เอารู้วัตถุที่จะร่วงดังรู้ว่าสุราเป็นต้นแล้วดื่มกินด้วยโลภะจิต ไม่ประสงค์เอาจิตรู้บัญญัติคือให้รู้ว่าเป็นวัตถุที่ล่วงไม่ดีไม่ถูกต้องแล้วยังล่วงเนี่ยถึงจะเป็นการรู้ไม่เกี่ยวกับตารู้บัญญัติไม่ประสง์เอาจิตรู้บัญญัติคือรู้ว่าไม่ควรถ้ารู้ว่าไม่ควรและฝ่าอาทยาพระพุทธเจา้าร่วมศึกขาบทด้วยจิตอันใดจิตอันนั้นเป็นปติฆิตฝ่ายโทสะมูล ก็คือถ้ารู้สิกขาบทแล้แกล้งร่วงขนาดนั้นก็จิตก็เป็นโทสะถ้ารู้อย่างเช่นตุราเนรู้แล้วก็ดื่มขนาดนั้นเนี่ยเป็นโลภะมุรจิตอยากจะดื่มเป็นโลกวัชชะแต่ถ้ารู้แล้วก็แกล้งร่วงฝาฝืนจิตก็เป็นโทสะเหมือนกันเพราะเหตุนั้นตุราปานัสิกขาบทและอุยยุตติกขาบทและอุโยทิกาสิกขาบทเหล่านี้เป็นอาจิตตกะแต่ว่าเป็นโลกาวัชชะ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 จิตที่รู้วัตถุแอนอาบัตในสิกขาบทใดแม้เป็นกุศลก็มีทิ่ขบวนั่นก็ชื่อว่าเป็นปันนติวัชระนั่นก็เป็นสิ่งที่นักปราชญ์พึงงดเว้นโดยพุทธปัญญัาเนั้นโลกวชัชระก็คือมีโทษอ น, นัตปราชนเนี่ยพึงเว้นพึงติเตียนโดยโลกก็คือไปต้องด้วยอกุศลิจิตแต่ได้เกิดต้องแล้วก็แม้เป็นกุศลิจิตก็ยังต้องอันนี้ก็เป็นปันนติวัชระ อันหนึ่ขาบททั้งปวงว่าโดยกรรก็มีสามคือกายกรรมก็มีเป็นวจีกรรมก็มีเป็นทั้งกายกรรมและวจีกรรมก็มีอับัตในติขาบทใดภิกตุจะพึงต้องในกายยถวานอย่างเดียวดังอับัตเกิดแต่สมุทฐานที่หนึ่งหรือที่ 4. สี่ติขาบทเช่นนี้ชื่อว่าเป็นกายกรรมก็คือสมุทฐานที่หนึ่งคือกายสมุทฐานที่สี่คือกายจิตอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกายกรรม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 มีเจ็เป็นอภิยัคตะคือไม่เป็นกุศลและอกุศลดังนอนหลับอยู่ต้องก็มีอันหนึ่งเสวยทุกขเวทนาอยู่ต้องอบัตก็มีเสวยทุกเวทนาอยู่ต้องอบัตก็มีเสวยอุเบกขาเวทนามัธยัตยก็คืออยู่ตรงกลางอทุก ข, ขมสุขต้องอบัตก็มีเมื่อเป็นเช่นนี้สิกขาบทได้กล่าวว่าเอกจิตตังมีจิตอันเดียวให้รู้ได้ว่าได้แก่อกุศลจิต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 อันหนึสิกขาบททั้งปวงเป็นสานติกะก็มีอนานติกะก็มีก็ไยามกับสหัติกะนะสหัติกะนั้นทำได้เหมือตนเองเป็นรักทรัพย์อะไรตรงนี้สานติกะก็คือสัารบังคับอนานติกะทำไม่เป็นไปกับการบังคับอาบัตในสิกขาบทใดที่สุทําเองก็ต้องใช้ให้ผู้อื่นทําก็ต้องสิกขาบทนั้นชื่อว่าสานติกะสะกอบด้วยการบังคับ ก็คือทำเองก็อบัตใช้คนอื่นก็อบัตอาบัตในติขาบทใดที่ตุทำเองจึงต้องใช้ให้ผู้อื่นทำไม่ต้องสิขาบทนั้นเป็น อ, น า, นอนานาณติกะอะนาณติกะก็คือใช้ให้เขาทำไม่ต้องว่าไม่มีบังคับอย่างเช่นอะไรใช้ให้เขาไปเตะเมถุนใช้ให้ไปเตะเมถุ น, นตัวเองไม่ได้ต้องอบัตประรชิกเมถุนทำแต่ว่าต้องอบัตในการชักชวน ในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ควรแต่ว่าคนที่จะเสียในทุนก็าจึงต้องอาบัติปัตติกคนใช้ยยังมีต้อมอย่างนี้เรียกว่าเป็นอนาณติกะก็คือไม่มีการบังคับก็แลสมุทฐานวิธีเป็นต้นดังกล่าวมานี้และ้จะประกอบในสิกขาบทซึ่งจะกล่าวข้างหน้านั้นไว้เป็นของสาหรับจะตัดสินอาบัติในสิกขาบทนั้นๆและให้เกิดความฉลาดแยกคายสังเกตกําหนดอาบัติในสิกขาบทนั้นๆก็จะาวิจิัย บางสิกขาบทถ้ไม่ได้ปฏิบัตินในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องของพิตุณีอะไรท่านก็ไม่ได้มีนิฉัยเอาไว้แต่ก็อยากดูรายละเอียดก็อยู่ในอัตกถาของวิพังที่ขุยพังที่คุณวิพังในอัตกรถาสมันตปาทานิการนี่ท่านจะแสดงสรุปไว้ทุกสิกขาบทว่ามีสมุทฐานวิจีอย่างไรบ้างสมุทฐานดิกรถาจบอันนี้ก็จบว่าด้วยเรื่องของสมุทฐานตานนี้จะพูดถึงอาการที่จะต้องอบับดั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 ที่เป็นอารัชีนั้นมีสามอย่างก็คือมีเป็นลักษณะของอรัชีทิกตุหนึ่งแกล้งต้องอาบัตปารีสองปิดบังอาบัติไว้ด้วยปารีสามถึงอัคติทั้งสี่มีฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติตมเรียนเพราะชอบชังเกลียดหลงบุคคลนี้แหละชื่อว่าเป็นอารัชีผู้ไม่มีความละอายทิสตุเป็นคนข่าวมีปัญญาน้อยไม่รู้ว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําและไปทําในสิ่งที่ไม่ควรทํา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 ถ้าท่านตัดสินว่าไม่ควรก็จะพึงทำไม่ได้เป็นการลำบากเห็นเอาเองว่าควรฝ่าพุทธาฏยาล่วงสิขาบทอย่างนี้สิ่งที่สงสัยนั้นถ้าเป็นของไม่ควรก็เป็นอันต้องอาบัตตามวัตถุนั้นถ้าเป็นของควรก็คงเป็นอาบัตทุกกฎเพราะโทษที่สงสัยแล้วแล่ทำดังนี้คือว่าต้องด้วยความสงสัยแล้วก็ผืนธรรมนะคารสงสัยครอบงำ เมื่อทําไปแล้วก็ต้อบัตรตัวหนึ่งแหละเพราะสงสัยและขืนทําแต่ว่าถ้าสิ่งนั้นผิดก็ต่อบัตรเพิ่มขึ้นถ้าไม่ผิดก็ต่อบัตรตัวเดียวเพราะว่าสงสัยและขืนทําเมื่อเนื้อหมีเป็นอากัปปิยะมังสะคล้ายกับเนื้อสุ ก, กรที่เป็นกัปปิยะมังสะก็ดีและมังสะแห่งเสือเหลืองคล้ายกับมังสะแห่งเนื้อที่สุดสําคัญว่ามังสะแห่งสุ ก, กรและมังสะแห่งเนื้อแล้วแลฉันก็ดีหรือฉันอากัปปิยะโภชนะ สำคัญว่ากับยะโภชนะปะดีและบายไปแล้วสำคัญว่ายังไม่บายชั้นอาหารที่เป็นยาวา่ากาดิกะดีฉันน้ําปณ ะ, ะที่ไม่ควรสำคัญว่าน้ําปณ ะ, ะที่ควรประดีดังนี้ก็คงต้องอาบัตตามวัตถุนั้นๆอย่างนี้ชื่อว่าต้องด้วยสำคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรจะเข้าใจผิดสำคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรเหมือนอย่างกับยะมังตะคือมังตะแห่งสุ ก, กรและมังตาแห่งเนื้อ พิสูจน์สคัญว่าเนื้อหมีเนื้อเถือเหลืองที่เป็นอากัปปิยะมังสะกัปปิยะโภชนะสําคัญว่าเป็นอากัปปิยะโภชนะคืออาหารที่สมควรฉันได้เราเข้าใจว่าฉันไม่ได้แล้วแลฉันก็ดียังเช้าอยู่สําคัญว่าบ่ายแล้วแล้วแลฉันอาหารที่เป็นยาวาตาฤกษ์ก็ดีและน้ําปณ ะ, ะที่เป็นกัปปิยะสําคัญว่าน้ําปณ ะ, ะที่เป็นอากัปปิยะแล้วแลดื่มกินก็ดีองเช่นน้านผลไม้ธรรมดา ไปเข้าใจว่าเป็นน้ําที่สันไม่ได้ถ้าน้ํานมนี้ที่เป็นอากัปยะก็เข้าใจว่าเป็นกัปยะอันนี้ฉันก็ไปตั้อ ბ ัตตอนเลยเที่ยงไปแล้ว <_ nis 2> แต่น้ําที่เป็นอากัปยะอย่างเช่นน้ําอะไรน้ํำแฟชซี่โค้ราอย่างนี้สําคัญว่าเป็นอากัปยะ <_ nis 2> แต่ว่าก็ยังดื่มก็ดีดังนี้คงเป็นอบัตทุกกด ต, ตามสัญญาก็คือไปเข้าใจว่าไม่ควรเมื่อไม่ควรแล้วก็ยังไปดืม่มอ่ะอย่างนี้ชื่อว่าต้องด้วยสําคัญว่าไม่ควรในของที่ควร ของควรจะฉันได้แต่สําคัญว่าไม่ควรแล้วสําคัญว่าไม่ควรแล้วก็ยังไปดื่มอีกยังไปบริโภคอีกก็เป็นอบัตทุกปวดไปพิกตุนอนในที่มุงบางอันเดียวกันกับอนุตบันครบสามดาตรีแล้วครั้นระดีที่สี่ลืมไปนอนต่อไปอีกก็ดีและลืมไปอยู่ปราจากไตรจีวรก็ดีและไว้เพทัดคือเก็บเพทัดห้ามีเนยใสเป็นต้นที่รับประเคแล้วให้เกินเจ็ดวันก็ดี และลืมไปไม่วิกรอธิษฐานเสียไว้อัตเรจีวรคือเก็บอัตเรจีวรให้ล่วงไปติดวันประดีดังนี้ก็คงเป็นอาบัตตามวัตถุนั้นๆอย่างนี้ชื่อว่าต้องด้วยหลงลืมสติเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงบรรัญญัติสิกขาบทช่วยให้เราเนี่ยมีสติเยอะมากขึ้นมาขึ้นนั่นก็ต้องใส่ใจสำเนียกที่จะรักษาจะได้ทําให้มีสติเพิ่มเป็นอาการหดังกล่าวมาชนีเพิกตุจะต้องอาบัติก็ต้องด้วยอาการหกดังนี้แหล จะต้องด้วยอาการอันอื่นนอกนี้ก็หาไม่ตกรงสิขาบที่สองรยี่บเจดหือว่าของภิคุณีสามร้สิบอดก็แล้วแต่บางีจะต้องอาบัตจะตอาบัต ด, ด้วยอาการหกอย่างนี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้ทุติยังอาปตินามาดิปป บ, บังจบข้อที่สองชื่อว่าอาปตินามาทิปัภะจะกล่าวถึงการบริบัติมุขปะปภะข้อที่สามในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุ ก, การแต่ท่านพูุ่งีศรัทธานในการนี้จศึกษาพระวินัยบัญญัติ เพื่ออบรมไตรจิตาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมไายใต้เน้อหลายจะเป็นงอกงามในพระธรรมวิ น, นียนี้โดยทั่วการด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ